หาหากเราเห็นแล้วเราปฏิบัติตามเราเป็นคนคนจากถุกเราฟังเพืนเถินกับใครคล้ายๆกับว่าพุทธเจ้าเป็นคนแจกธรรมะแบ่งปันธรรมะให้อย่างเราจะเห็นได้เช่นเราสมทานศีลถ้าพุทธเจ้าไม่ได้ให้ศีลพระไม่ได้ให้ศีลถ้าก็เอาศีลให้พอุอธญาโยม พระก็ ห, หมดสินให้ทุกวันทุกวันก็เลยหมดจ้ะความเป็นจริงถ้าไม่ได้ให้ท่านบอกให้เรางดเว้นเสียจากโทษนั้นโทษหาโทษแตกการนี่จะว่ า, าท่านให้สินไม่ได้แต่ภาษาเราพูดกันว่าถ้ะให้กินคำสมมติบรรยัญญติอันนี้ลหละมันเลยไป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 จักพังผืด ใ, ใหญ่ๆแตเนาะอาหารใหม่ห้งหาหงเก่าจิตแต่ได้เป็นดินดินมีลักษณะพิเศษกันไม่ต้องดูอื่นกลายเนีไม่ให้จิตส่งไปที่อื่นอ่ะดูเฉพาะผมเพราะขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นมีลักษณะพิเศษกัน แ, แต่ให้สมมญญติสมมติว่าดินบรญยัติว่าดินเพราเป็นสิ่งที่แข็ง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 ไฟอันนี้ทําให้เราแก่เท่าจะรุดรึกโศกแหย่ยหงาไปเรื่อยเรื่อันนี้ไฟรา้ายมากไฟอบอุ่นยังกายอุ่นไฟยังกายให้เผาอาหารให้ย่อยยับไปไฟที่เขาร่างกายแหี่ยวแห้งรึดโศก ไฟทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวงเราทั้งหมดนี่ถ้าหากเราพิจารณาอย่างนี้ท้งลมทางดินทางนา้ทาทั้งลมท้งไฟเราพิจารณาัวงเราแล้วเราจะมองเห็นัวของเราเนี่ะเป็นโลกอันหนึ่งที่มีดินน้าไฟลมผสมกันเป็นก้อนคือมาและต่างทำงานตามหน้าที่ของมัน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 เห็นไปด้วยขอไปด้วยกูมเกินเป็นเหตุให้เบื่อหนายเห็นเป็นก้อนทุกข์ทนทรมานเอาจริงๆงจังดังคำนวนพระเดียเจ้าท่านคำนี้อย่างพออดกลั้นได้หรือคำว่า ine, อดกลั้นได้ในสมยัยทุกเต็มทีแหละที่ค่อยต้องอดกลั้นต้องทนทุกข์แล้วเสู้กับทุกข์อ่งเรียกว่าอดกลั้นเห็นเป็นก้อนทุกข์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 คือพระเดจจานเทศนาเพื่อให้ชำระดวตนคนเราแต่ละคนละคนถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันจะโลกโมโทสันไปที่ไหนคนเรามันจะไปหลงความสวยความงามมาจากไหนหลงหนุ่มหลงแก่มาจากไหนฉะนั้นมีหรอมันมีแต่จิตสลดทั้งเวทในใจัวงตนทิฏฐิมานะกิเลสทั้งฟวงหมดคมโลคของโกรของหลงจะต้องหายหนีเลย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 อวดตนอวดดินมันพูดย า, ยาบๆัันพูดทั้งเรื่องของจริงอ่ะพูดถึงที่สุดเลยอวดดินอวดขี้อวดดีแกตายลองคิดดูสิไม่มีปัญหาเลยอวดตนอวดดินไม่มีปัญหาเลยก้อนดินทั้งก้อนเนี่แท้เอาก้อนดินไปอวดเขาทำไมเอาตัวไปอวดเขาเขเรียกว่าก้อนดินไปอวดทาง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 แสวงหาตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนักเอาเบ้าตู้ตลอดการเวลาหามาได้หาบำรุงอันเดียวคือ ก, ก้อนเดียวเนี่ยไม่ได้หนีจากนี่หรอกแล้วจะรู้สึกตนละอายตนเอ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งมันตั้งบำรุงของไม่ดีจริงๆนี่มันเบีอยงงี้แล้วถ้าหากพิจารณาทำมันจะไปไงัถ้าพิจารณาถึงเรื่องโลกแล้ว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 ยาวแก้ให้อยู่ดีกินดีอะไรรัฐบาลที่พาการประกาศโฆษณาเนี่ให้อยู่ดีกินดีถ้ามันงลองคิดดูที่อยู่ดีกิน ด, ดีอยู่ายการธรรมดาหามันก็ต้องมีการกระทบกระเทือนดกนนีนะ้แหละดังคน่ังก็แสวงหาเดยกันทั้งนั้นใครก็อยากได้ใครก็หาหาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่านี้่าจะพอยังไม่พอได้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอสักทีเลย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 ดางเทอติบายมานี่การเจริญปัญญาถ้ามันมีที่ตั้งแล้วมันมีที่พิจรารณาไม่มีเครื่องวัดการเจริญสรรมถะก็ลงนิดเหมือนกันคือมายึดเอาตัวนี้แหละพิจรารณานี่แหละพอเราพิจารณาแน่วอยู่ในนี่ทีเดียวนั่นเป็นตัวสรรมถากไม่หนีไปจากอื่นไม่หนีไปจากตัวไม่หนีจากกายพิจรารณาธาตุสี่เดี๋ยวนั่นไปรมนังอธิบายนั้นก็ดีหรือว่าพิจารณาเห็นอสภุภะปฏิกูนก็ดี